ม, มากกอดทำแต่วันแดงขึ้นหนึ่งไปหมดเหตุเทศการของกระถิน่นในยุ่งมากถูกเรานีซะอยู่มากก็ามีแรงศิษาเราไม่เห็นจิดใดการใดที่มีคุณค่ายิ่งกว่า งานภาวนาตามหลักพระพุทธศานาอันแท้คือหลักภาวนาในระดับที่จะทำให้เกิดผลเกิดประโยู่ถ้าจากใจจริงๆงนานเหล่านั้นมันก็เปลี่ยนเครือบเที่ยนหมาอเป็นงา น, นของโลกไปเสีย นั่นเป็นงานของธรรมก็เป็นงานประกอบไปกับหน้าที่เพ็ของพระไปเราเป็นกิ่นเป็น้ายแต่งานภาวนานี่เป็นงานสาคัญมากเป็นรากฐานนี่าเป็นแกนแกนเป็นแกนของแกน เอ น, นหลักของตรัชาแท้ดูตรงนี้การดุลจิตใจก็เห็นอะไรเป็นตลางหอเ่ามันมีตัวภัยอยู่ไปใน น, ปนั้นโลกู่หลงมันมีอวามดีก็มีคุน ความั่มีคุณนี่ดเรื่องของภัยนั่นเองกระแด็นขึ้นมาไม่ใช่อะไรเลยโลกเวลานี้ยกำลังปวดไปทั่วดินแดนเทียบกับมทเตอสิ่งที่เรียกว่าดีเจชั่นไปเชืไไหนหน่ออะไรลันนั่นมันหมนมีภายในสิดใจ มีกี่ดวงมันก็หมุนเหมือนกันแล้วให้ดวงใดกินดวงใดพาะจะยังความสงบสุขให้เกิดแยกกันได้บ้างไม่มีเพราะมันเต็มไปด้วยมโนสุขมันพับมันผันกวนไปภายในจิตใจบีทุกจิตใจ เราเคยเห็นเคย็นมาร์สู่มก็มันขึ้นทางไหนมันก่อความปินาศสิ้นหายให้ตึกการามบ้านช่องผู้คนดีไม่ดีฟ้าดินถล่กันมาร์สู่มมันขึ้นเขาออกกลางพีนันจะบอกว่ามาร์สุ่มก่อความผิดความชอบผลประโยชน์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากก่อความเสียหาย ทิพไายถึงตู้สียแต่สถานที่ที่มันแสดงตัวอยา่างเต็มที่นั้นเทมานั้นนิสิตใจนั้งมารสูงคืออารมณ์น่ะที่มันสูงอยู่ภายในใจเวลามันระเบิดออกมามันก็ทำความปวนปั่นทำความทุกข์ความดัดด้อยเจ็บนั้น กระจายออกไปความแคบขนาดไหนมันทุกข์โดนล่องไปถึ่นั้นใจของเราแต่จะดวงนัดวงก็ดีมันมีแต่มารยาสุขมีเท่านั้นเราไม่รู้มันลำบากเราไม่รู้ อยนรู้เห็นแต่ผลมันเหกุนีน้ทําว่ามันแสดงออกมาอย่างไรด้วว่าเราผลเข้ามาเป็นคุยเป็นไฟเขาติดใจหรือเปลานับตูดดึงตามั น, น, นเป็นเรื่องมันเดียวเต็หมหัวใจนะจ๊ะความติดความอัตจักรมาจากไหนก็ อ, อารมณ์เหล่านี้มันจะเป็นอารมณ์แค่เกิดจู้ยแคเกิดของอัจักรนี่นะ อารมณ์เป็นปืนเป็นใส่แสดงมาเป็นความพิหายเกี่ยวกของเนี่ยศาสนาเป็นเครื่องดับอันนี้นเองความเพียรก็คือวิธีการดับงานการดับอารมณ์มาลาุสูภายในจิตใจถ้าใครยังไม่เห็นมาถุสูงตอนนี้ว่าเป็นไทยแล้วก็จะต้องยอมรับ ความทุกข์ความท ร, รมานใจตลอดไปเที่ยวภายนอกแล้วมาสูงทเกิดขึ้นอยู่ไหนโลกถือว่าเป็นภทัยที่นั่นแย่เข้ามาทางทางมอสุนทเกิดขึ้นที่ใดไม่ท้าบว่าเป็นภัยยิงยื่นรื้อเริ่องไปตามมันนะครับขมันจะแดงขึ้นมา ไม่ทราบฐานอยู่มีแต่ความทุกข์ความรุ่ร้ อ, อนการติหนึ่งทางทางเข้าทางออกมันก็เข้าที่จิตออกที่จิตเกิดที่จิตดับที่จิตเป็นอยู่ที่จิตเราไม่มีทางทราบได้แต่ค่อนข้งที่มีนิทาน หลักการนั้นถูกต้องแน่นอย่างไว้ประจาแล้วในวงภาสนาเฉพาะอย่างยิ่พุทธศาสน า, าเป็นหลักวิชาพีเที่ยมในการปรับปรามมรสคผภายในจิตใจเรายังนำมาใช้ไม่ถูกนานอยู่ ถ้าถูกมันก็ควรจะรับผลระจาาัดภาณจิตใจมากน้อยไม่สงสัยการพู้หัดพรายรวนแรงแต่งานที่ทำผิดผิด ท, ที่เต็มได้ยมารสนให้สมบุกตัวลงไปในขณะภาวนมามันก็กลายเป็นดวงเกาะมารสน fit. นี่มันกลับโค ง, ง, งข้างโคงข้าง จิะเหียดหงบบ้างจะปล่อยนอารมณ์แสดงออกใองเจของจิตไม่มีความสงบเลยมันทาบอารมณ์แสดงออกจะหลงเตินไปทางคล้อยไปทางถ้างบบ้างมันปุ่มขึ้นมาผิดปกติป้ารู้นี่คือจะประดมนที่ไหนไม่ทำนที่ไหนเพาเห็นอารมณ์มันเกิดขึ้นกับแกล ดูแทนมันก็ต้องกำหนดระงับการลงที่หน้าถ้าจิตไม่สงบเลยมันก็เฉื่อยแต่งออยู่ข้างนอกที่แสดงประจับตัวเป็นเรื่องราวต่างเรื่องราวที่เศร้าสศกหรือแต่เรื่องราวที่ทำให้เกิดความเพลิดความเืลินตะเกียบระกายไปกลางอารมณ์นั้นซึ่งเป็นเรื่องเป็นราวไปจับใจนี่แล้วแต่ตัวเองไม่รู้อย่างลัเนี่ยอันนี้อะสำคัญมาก มันเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ทั้งวันทั้งคืนดีเดินั่ ง, งนอนมันออกจากใจนี่เลยแม้เมื่ก็ฉายภาพพยนต์แล้ก็ออกจากจอเอันแผ่นอะไรคจีนเล็กๆแต่แสดงอยู่บนจอใ้เรื่องต่างๆก็คือตัวนี้เป็นตัวเรื่องอยู่แล้วเป็นแบบระบับที่จะให้ภาพต่างๆแสดงอย่างนั้นมันออกมาจากจีนนี่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นภาพน่าจะเป็นเสียงมันออกไปจากนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อโลกมันเป็นตื่นอย่างนั้นกาแฟนั่นเห็นมว่าไปแสดงบ้าอย่ของอะไรหลไปตื่นเออะไรก็คนนั้นเองทำึ้นมาถ้าเพ ย, ยินพ ย, ยินอันนั้หลังอะไ่งน พีลไมเห็นอยู่แล้วขาไปจากนี้มาไปนี้กตื่นหาอะไรกันพีนาเนี่ยก็เงามาหนั่งนัเงาหน้านี่นเงาที่หนึ่งเงาที่สองเงาฟิลเป็นเงาที่หนึ่งทีขามาเป็นตัวจริง ที่แสดงมาที่แรกให้ติดฟนล์มเป็นตัวจริงน้องตื่นไปเดินดหลั ง, ง, งอันนี้หลากฐานของตัวจริงก็คือจิตวิญญาที่แสดงขึ้นมาน่นนาน้อยมันก็ติดฟิล์มอย่าว่าแล้วเราก็หลงตามเรื่องราวไปเป็นที่สามมีอะไรอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่ง มีแต่ความเพลิดความเคลินความสศกความเศร้าเสียหวเสียใจกับเรื่องบ น, นเจุของที่มันแสดงออกไปให้ตื่นนอนให้มีอะไรทาจิตสงบแล้วรู้ถ้าจิไม่สงบไม่รู้ารตายก็าที่มบอกตายไม่สงบก็ต้องหาอุายวิธีทำให้สงบสง บ, บด้วยบทสมาธไม่ได้ปฏิกรรมทำอะไรก็ง่าย กาต้องเอาให้สงบด้วยปัญญาหาวิธีสกัดลัดขั้นอารมณ์ตัวซึ่งคิดเป็นแหนไดเอาสิ่งนั่นแหน่นั้นมาพิจารณาให้เป็นการเป็นยานจริงๆโดยทางปัญญาหยิบมันที่แย่จริงเนั่นั้นนั่นแล้วมันจะทะเยอทะยานจุงเคลนึ่งกระโดดไปไหนมันก็ต้องย้อนเข้ามาติ่ความปกติของตัวเท่านั้นเอง มารสุมภาในใจมันไม่สงบตัวแลนะ้วหาความสุขไม่ได้คนระับเราจะไปคาดสถานที่กว้างแคบของโลกสงสารนี่มันมีมาดั้งเดิมแต่เราเยังไม่เกิดมันจะเอความสูกอะไรมาให้เราเพราะมันไม่ใช่เป็นผู้หาความทุกมาให้เราผู้หาความทุกข์แท้คือตัวมรสุมที่เกิดขึ้นภายในใจิตใจเนี่ยมันมีอยู่ที่นี่ มันไม่มีอยู่ที่จินคภาอากาศโลกองศาวามแค่ไม่สำคัญมันสำคัญที่มันก่อตัวขึ้นมานี่เก่อขึ้นมาจากที่ไหนมาระสุนรืออารมณ์นั่นมันก่อขึ้นมาที่ใจเพราะเครื่องหมุนมันมีอยู่ที่ใจเป็นพื้นทับด้วยสัจจังหาน้ำยิย่งเหลว ตัวมืดดำสมมุติว่าก้อนป็นก้อนควมมืดดำก้อนความหลงถ้าขายมาอะไรนี่มันต้องเป็นกอมืดดำทําให้หลงไปหมดมันอยู่ที่ใจน้ำมันจริงแสดงก็อยที่ใจแล้ววาดเอาสริงต่างๆคพราะโลกดินแดงเข้ามาเป็นเรื่องของเรา มันเป้ว่าเทานะนี่กินนั่นกลิ่นนั่นกนนั่นมีการสรรมชาติของคุณ น, นีเปลว่าท่าออกเรื่องยาผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนมันก็เป็ว่าท่าออกมาเป็นเรื่องที่สุดน้อนเพิ่งเดียวกับภา พ, พ ย, ายนุนเขาถ่ายที่ไหนเมื่อไรจถึงแต่เมื่อไรก็ไม่นั่นก็เป็ว่าท่าลงมา มาขายผู้เสื่อมนันหลอกคนหญิดหงิดงอันเป็นบ้าอย่อมงนี้มันฉลาดที่ไหนมนุษย์เก่าทัดเจียดตำหลกักความจริงว่าม น, นุษย์ฉลาดแล้วมนุษย์นี่แหละโง่ที่สุดโลกชาตอื่นเขาไม่มีเครื่องหลอกแบบนั้นมนมุษย์หามาหลอกตัวเองเป็นความฉลาดอะไรนีพ ว, ว่าโลกมันจเจริญเจนิญไป ก, ก็ถู ก, กเกียกวโรคเจริญเพราะทำไม่จเจอโรคเจริญ ก, ก็ทำความรุนร้อนให้แก่ต่โลก น, นี้แต่โลกพุ่งลงแฝงลงพรโลกนี้มันจเจอแต่ทาเจริญน น, นโลกเันนี้ก็ต้องอบพันในยจทำหารางเกิดไม่ได้โลกอันนี้ผมนกึกออกสนุก แดงตัวแขงนีต่างๆเต็มทั้งหมดดูที่กจศาสนาสอนที่กาเพราะใจเป็นต้นเหตุใจเป็นตัวประธานขอการกอนดูที่นั้นนั่เป็นสำคัญนั่นหมายความกว้างกการมวล่ามลาว่าจะเอา ควความดีอะไรมาให้เพราะทิ่มันั้นไม่เอาความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้เราใจต่างหากเป็นผู้สอเสียหาความทุกข์ความเดือดร้อนความเดือดร้อนจึงเกิดขึ้นที่ใจใจเป็นผู้รับความทุกข์ี่เดืดร้อนนี่ก็มีมือลงทิ้งขุดค้นลงทิ้งมันติดเป็นพันอะไร สนุปความเมื่อนมันก็ไม่มีจากหลกฐานของมันที่ผัน้านี่หลักฐานของความยึถือเป็นเบอร์หนึ่งก็คือยึดตรงนี้ก่อนนี่จะไปยึบภายนอก้าการนี่คือมูปะขันไม่จะร่างกายของตของเนาว่เป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นของเราทุกท้งหมักในลูกาย ันเรือว่าอันใดเป็นของสกปรกอะไรเป็นของสะอาดแต่หลาคนกงนแล้วมันก็สกปรกเหมืนกันโลกบางคนไม่ยิว่านั้นสะอาดนี่สกปรกนั้นสูงนี้ตอำนั้นข้างลนานี้ข้างหลังนั้นข้ามที่ไหนมีกรองที่ผ้าที่ผังมันเป็นข้างหน้าข้างหลังที่ไหนกรองอัดจุมีข้างหน้าข้างหลังมองไปที่ไหนมันก็สกปรกหน้าขยะระแวง ด้วยกันหมดคุณจูกองขูดแล้วเปลี่ยนมันแบบกองขันกองคูปันเยครับมองทไหนมันไม่มีศูนมีต่ำไม่มีความนข้างหน้าข้าขงหลังมันก็คือกองรูปกองคูปกองขันนเอะทาลงไปที่นี่มันดิ้นที่นี่ ที่คาไปให้มันดูมันจะหันวิจารณ์นั่งไหนยตัวที่เหลือตัวจนปลอมจ้องปลอมมันหันวิจารณ์ข้าพเ้าของเราไม่ทันมั น, มนถึงวึดาัน์ไเท่ตัดปันมดทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายมากเป็นเราเป็นของเราทหัวทุกแม่ทุกมงทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีอะไรที่มันจะหลักตัดที่มันนี้เราไม่เอาไม่ว่ามันเอาทั้งนั้นนั่นแหละเป็นตัวชิ่งปัญหามันไม่มีเมืองพอมันเหมาเอาหมดเลย mm hmm. เนี่ยที่เต๋อจอมปลอมรูปรขันเป็นที่หนึ่งที่เห็นได้ชัดชัดกองแหงความยึดถือของจิตอนนั้นมันก็ สัญญาปีกนาสัญขาต้นขาดิมญมันยึดตรงนี้คลี่คลายตรงนี้ดิและรูปอื่นมันก็เหมือนกันจะไปพิจิตรพิสดารมาจากไหนก็เป็นสภาพเดียวกันเหมือนกันเอาทุดผ้าก็เท่าตัวของมันมันเตินตัวเช่นเดียวกันอั น, นี้จังทุกขอย่างสามก็เตินตัวใครตัวเราเท่ากันไปหลงกันที่ไหน ถ้าจะหาความจริงการหลักธรรมันนี้ไดแล้วความจริงก็เต็มส่วนอยู่แล้วใน่าตในฝันทุกอย่งทุนามทั้งภายในภายนอกสมสัยกัน่งที่ตรงไหนถ้าไม่ไดื้อด้านสังหารธรรมที่ควรจะเกิดไปนในตัวเองให้เกิดขึ้นได้ที่เกิดขึ้นี้ความคิดหาหลไรปงไปเพราะจิงจํารอมนี้เข้าทำลายมันก็มีเท่านั้น เอาที่ยาให้ถึงนี่ใหมันท้าทาอยอะไรมากหาเราเป็นนักต่อสู้มันแล้วอยู่แล้วทำไมจึงต้องให้ที่สิบประเภทศเหล่านี้มาท้าทายอยู่ทั้งวันทั้งคืนออยืนยันนอนแล้วหาความสุขความเปล่าเปลาให้จังจากมันได้ที่ไหนมา้างพอที่จะยึดจะถือมันเป็นแล้วตัสดาต่อไปตัว ม, มกกันนานจะมาอะไรเปนมาความรู้ความเห็นที่ ขาดายต่อธรรมเป็นเครื่องสังหารศาสนาธรรมเครื่องสังหารตัวเองนั่นแเองตัวฆ่าจิตตัวมาแต่เป็นสิ่งที่แบบนั้นมาจำไมผิดขึ้นมาที่สติปัญญาที่จะทำลายจิตจอมปลอมตั้หลายไม่ได้านมีสติปัญญาในหลักธรรมตั้งหลายสติปัญญาอย่างอื่นทำไมใช้ใช้ไม่ได้ ก็แบบนั้นเป็นเครื่องมือของกิเลสทำนั้นสติปัญญาทำจริง ท, ท่านไม่เรียกว่าคนที่รู้ตามแผนของกิเลสนั้นวาดเป็นคนชัคนที่รู้ตามแผนของธรรมของหลักวิชาธรรมเท่า น, นั้นจะเรียกเป็นกลางได้พระพุทธเจ้าเรียกเป็นกลางได้เพราะจะนั้นคําว่าท า, ทานทานหนที่กล่าว่าเนยอาศเวนานจะภานเขาคุณทานอย่ากคบคุณทาน ความคุณพานก็คือประเภทที่สังส้งฐานทำสั้งฐานติดมันความยืนฉันนั้นจะถลัดขนาดไหนเป็นอย่างความเฉลียวลาดเขาผิดเครื่องสงร้างฐานทำลายโลก ส, สร้าานได้ยุติพิพิธลาหมากข่าดนั่นละคือตัวโง่ามากที่สุดของปัญญาแผนอันเป็นแผนที่ดีแผน ท, ที่ทททดีต้องเป็นแผนทหลายและไม่แผนคงเสื่อ ท่นเรียกว่าคุณเปลี่ยนนั้ น, ป เ, นเป็นคุณเทระท่านที่จะบอกาพาลัทธิผู้ชนดเครื่องตนออกจากความทุกความทรมานนั้นเทระท่นคอนสุบแก่ผู้อยู่นั้นเพราะนั้นเรียกว่าปราดปราดในพุทธศาสนาก็ปราดทางโลกนั่นมันขิดกันหนักมากตงมันข้ามเดินสวนทางกัน ที่หาสจกโอยอากเลครับูเหมือนคู่เลยครับเยอะราก